กอนมุตนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะแนะนำเอาอิตสูตรในปัญจกนิบาตังกุตติกายมาสแสดงในท่านผู้ฟังในความในตอนต้นพระเจ้าประทับอยู่ที่ประเทตะวันธนรนาตบินดิกะเศรษฐีเข้าเฝ้า พรมิยภาคเจ้าได้ทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่าดิตผลคือผลที่คนต้องการห้าประการคือยุวันนสุขยศและสวรรค์่าเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายมุ่งมาตปรารถนากันประจักนั้นก็ทรงแสดงยกมาแต่ทีละข้อ เพราะเมื่อบุคคลปรารถนาอายุวนันะสุขประยศและสวรรค์เนี่ยคือแต่ละอย่างเนี่ยคือไม่ควรตั้งความปรารถนาอ้อนวอนขอร้องเพื่อให้มีอายุยืนมีวนันะสวยงามมีความสุขจะเจริญรยศแล้วก็บังเกิดในสวรรค์แต่ศึกษาสืบสาวไปถึงเหตุ ที่จะให้เกิดผลทั้งๆประการนั้นแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติไปที่เหตุแต่เมื่อทําเช่นนี้บุคคลจะได้สิ่งทั้งที่ทเป็นมนุษย์แล้วก็สิ่งที่เป็นชิพหลังจากนั้นก็ส่งสรุปไปในตอนสุดท้ายเป็นการพูดโดยสรุปว่าเหตุที่เกิดผลเหล่านั้นก็คือการไม่ประมาทในบุญญักกริยาทั้งหลาย ในประมาทในการที่จะทาสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่บุคคอื่นทั้งแก่โลกนี้และโลกหน้าธานาตบินิกะเศรษฐีอย่างที่เคยเคยเล่าฟังว่าเป็นอุบาสกที่ทนุถนอมพระพุทธเจ้ามากท่านมาเฝ้าทุกวันแต่ท่านก็ไม่กล้าถามปัญหา โดยคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าที่ละเอียดอ่อนคือถ้าจะต้องเป็นภาระในการตอบปัญหาใครเข้าของใจสงสัยให้แกท่านอยู่เนี่ยจะเป็นการเบียดเบียนพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงดำริว่าท่านนาติบินดิกาเศรษฐีนั้นเป็นการรักษาพระองค์ในเรื่องที่ไม่ควรรักษา พระองค์ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีมาตลอดระยะเวลานานก็นเพื่อทํางานเหล่านี้แต่ถ้านาณ า, า, าทิปินิกะเศรษฐีเกิดมากลัวในเรื่องที่ไม่น่ากลัวแต่ก็ไม่ได้สั่งอะไรนะฮะทุกครั้งเนี่ยจะจะเทศกันหนึ่งก็จะเทศทุกครั้งตนาณาติปินิกะเศรษฐีมานี่การการเทศว่ากันตามความจริงถ้าเราดูในประัติปิฎก มันก็ไม่ได้มีกิติลักษณะอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันยิ่งแต่ว่าเมื่อท่านเศรษฐีมานั่งพระเจ้าผก็คุยคุยให้ฟังอไง น, นะว่า จ, จริงๆก็คือคุยให้ฟังโดยการที่เรียกเป็นเป็นชื่อประสูติอะไรนั้นเป็นการเรียกในตอนหลังหรือพระอาจารย์ในท่านสังขยาพระธรรมวิ น, นัยท่านก็เรียกชื่อขึ้นดูรู้จากเนื้อหา เรื่องเหล่านี้ยแสดงเรื่องอะไรแล้วก็ตั้งไปชื่อสูตรขึ้นมาแต่ท่านก็ทำได้ในตอนต้นๆ น, น, นะฮะเออตอนที่หลังท่านก็ไม่ค่ได้ทำอะไรอะไรตอนต้นๆจะขึ้นเอโบเมสุตังอกั ง, มงมสมยังปกวาขึ้นมาเต็มสูตรเลยตอนลหลังก็ก็ก็ถือว่ารู้กันนะพะ ก, กรงสร้างมาเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่า จะใช้คำง่ายๆถ้าแสดงลิสาวัตถีก็ใช้รำมาสาวัถีนิทาน้อความตอนต้นกับตอนปลายเนี่ยต้องเข้าใจเอาเองว่าที่จริงยังมีข้อความที่ไม่ได้พูดเด่ก็พูดไว้ในที่อื่นแล้วก็ให้เข้าใจเอาเพราะัธรรมะที่ทรงแสดงแก่ธนนาธิบินิกาเศรษฐีจะเป็นเรื่องชีวิตชาวบ้าน ยังไม่เคยเจอว่าพระเจ้าไปเทศระดับวิปัสนาอะไรนะไตรลักษณ์อะไรจะจะไม่ได้พูดะฮะกัทา น, นานาบิบิกะมีภาษาที่บุตรไปเทศให้ท่านฟังก่อนที่ท่านจะตายทีเดียวแล้วท่านตื่นเต้นใหญ่อย่าลืมนะฮะว่าสมัยนั้นเนี่ยกับสมัยนี้ที่จริงโอกาสเนี่ยโอกาสของเราดีกว่าเยอะถ้าถ้าไม่นับพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยนะฮะ ว่าเราสื่อในการเรียนเรามีเจะสมัยนั้นแม้แต่พระยาสาวกถ้าไม่ได้ฟังมันก็ไม่เรียนที่ไหนถ้าพระเจ้าไม่สอนให้มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรอยู่บ้างาต้องอาศัยการฟังเป็นหลักเราสมัยนี้ไม่ต้องฟังอะไรเลยก็ได้นะะอาจจะอ่านาได้ค้นคว้าได้แล้วจะดีกว่าเลยทำไปแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมากเกินไป แต่ความสนใจตั้งใจมันก็น้อยแม้แต่ในหมู่พระเราเองเนะครับคือเจาะค้นคว้าลึกๆึ ล, ลกกงไปในประสูตรในพระใจพิดกที่จะทำกันน้อยอาจจะถือว่ามีอยู่แล้วเลยตอนนั้นเพราะันทุกครั้งในพระเจ้าจะเทศเราจะเห็นว่าเทศธรรมดาเออแต่ที่น่าสังเกตว่าตอนที่เป็นพระสูตรตอนต้นเนี่ยจะพูดห้าข้อ แต่ตอนหลังจะไปเพิ่มเกียรติเข้าไปนะฮะแล้วก็การเกิดในสกุลสูงเข้าไปก็สรุปแล้วก็เจดข้อนะฮะคือหมายความว่าเป็นอิทธิผลคือผลที่ทุกคนต้องการพูดระดับกาง ม, มาสุขนะฮะพูดระดับกาง ม, มาสุขพวกเหล่านี้ก็เป็นวัตถุกรรมทั้งนั้นนะฮะอายุวันณนะสุ ข, ขะยศแล้วท่าน เ, าเพิ่มเกียรติในคาถาไปเกียรติแล้วก็สวรรค์แล้วก็การเกิดในสกุลสูง แล้วก็เป็นเจ็อย่างเพราะทุกคนต้องการแต่ต้องการนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการออนวอนเพราะหลักรุศาสนาจริงๆไม่ใช่หลักออนวอนการออนวอนนั้นถ้าเราไปดูให้ดีเนี่ยมันจะอยู่ระดับล่างนะฮะระดับอันตรกถาระดับหนังสือในในยุคหลัง การนับถือพุทธแนวค่อนข้างขลังเนี่ยมันมันมาเกิดในยุคหลังเราก็โอจะติดพราม์ไม่ได้นะฮะพราหมณงก็ขลังอะไรก็พระเจ้าพระเจ้าเ ร, เรียกพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นเด็กรับใช้คนนับถือนะฮะตอนนึกดูพระเจ้าพรามไม่น่าเป็นนะฮะคนนั่นเรียกทีคนนี้เรียกทีไม่ต้องนักนั่งภาษีวะก็ต้องผลับตาก็ต้องลืมตาคนเรียกเลยก็รู้แล้วก็นักอินดู พระเจ้าทรงปฏิเสธในลักษณะาการอ้อนวอนการบวงสวงแม้จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจแต่ว่ามันไม่ช่วยอะไรจริงช่วยช่วยระดับขวัญกำลังใจก็ได้แต่ก็ว่าแหละคือคนเราบางขณะบางจังหวะเนี่ยมันขอเบี่ยงได้ขวัญกำลังใจเท่านั้นเองก็ไปได้การถ้าเรามองที่ที่เคยเล่าเรื่องทชัชกสูตร พระเจ้ทรงแสดงว่าเวลาเราเกิดหวาดกลัวสะดุง้งขนพองเสียงก้าวไปในกิ่ใดที่หนึ่งพูดถึงอยู่ป่านะครับพูดถึงพระที่อยู่ป่าก็จะเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาเกิดอาการขนพองเสียงก้าวขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพุตตคุณธรรมคุณสังกคุณแต่ไม่ใช่อ่อนวอนนะฮะเราเจะเห็นว่าไม่ใช่ลักษณะอ่อนวอนแต่ให้ใจมันไปยึดเหนี่ยอยู่กับพระคุณของพระพุทธเจ้า ในแง่จิตวิทยาก็คือเบี่ยงเบนความคิดจากการสิ่งที่เราไปคิดหวาดกลัวเนี่ยมาอยู่กับพุทธคุณธรรมกุศสังกัคุณแต่ในแง่ที่เป็นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังกานุภาพเา ก, ก็มีนะฮะก็มีมีระดับที่ช่วยเป็นขวัญเป็นกำลังใจแต่เรา j ว่าประสบการณ์ของสาวพูธเราในเรื่องนี้มีเยอะ เก่ว่าตัวเกิดถูกผีหลอกเกิดถูกอะไรขึ้นมาวิจะทํายังไงก็นั่งวานนโมอิติปิโสเอามันก็ช่วยได้ก็ช่วยให้เกิดขวัญกำังใจแต่อย่าลืมมาไม่ใช่ตัวแกนหลักไม่ใช่ตัวเนื้อนะฮะไม่ใช่ตัวเธอจริงๆอายุยืนพูะเจ้าท่งท้ายครว่าอย่าเพลิดเพลินกับความมีอายุยืนไม่ใช่ คืออย่าอย่าอ้อนวอนวงสวงขอร้องเพื่อความเอายุยืนในขณะเดียวกันเมื่ออายุยืนก็อย่าเพลิดเพลินกับความเมัยุยืนก็มีสองตอนเนี่ย น, นะเพราะเลยเพราะว่าอายุยืนนั้นมันมันเป็นเหตุตึ้งเกิดมาจากผลถ้าเราได้จากความบวงสวงอ้อนวอนขอร้องเนี่ยธรรมะทั้งหลายที่ส่งสอนไว้มันก็ไม่จําเป็นอะไรคือคนจะบวงสวงอ้อนวอนขอร้องมารุดตลุดไปหมดเลย และตีต่างว่าเป็นไปได้จริงอะนะฮะโลกคงคงถล่มทลายหมดแล้วเพราะอะไรเพราะคุณคนจะคุมความโลภตัวเองไว้ไม่ได้และในสุดก็ขอขออ้อนวอนขอร้องออพระเจ้ากับบรรดาเรืย่ยสมมติว่าเมียนะฮะบรรดาเร่ยก็แข่งกั น, นะฮะแข่งจานวนแข่งจำนวนสูงแข่ ง, นน ง, ข, งขนาดแข่งอะไรอะไรกัน ก, ก็คงย่ายุ่งหมด เันจึงส่งสอนในรูปของการอยาอ้อนบอลอย่าก็ร้องแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งแสดงเหตุเราจะเห็นว่าเหตุเหตุนัน้นก็มีมีหลายอย่างเหตุอย่างหนึ่งเหตุอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นบทอนโมทนายัถาหรือพระอนโมทนายถาบริวารานะครับ ท, ท, ท, ที่ที่ตอนสุดท้ายสองมัทสัตหลังอะอภิวาทานสีลิสานิจังวุทาปชาญิโนโอยจตารุตมาวัาสันติอุปนิสุขังผลั แปลว่าพรทั้งสี่ประการคืออยุวัฒนะสุขาพภรจะเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนคือมีสัมมาคา ร, ระวะต่ะอบุคคลทั้งหลายคือจีใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนเนี่ยเราต้องมองถึงว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเป็นมิตรกับคนอืน่น สร้างความสนิทสนมคนอื่นเรามีสมมาคารวัตเราเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนถ่อมตนกับคนทั้งหลายผู้ใหญ่เราก็เมตตานะเพื่อนฝูงก็รักใคร่สนิทสนมผู้น้อยก็ให้ความเคารพนับถือฉนั้นเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่ที่ที่เด็กเข้าเขานับถือจิตใจจริงๆไม่ใช่คนที่ดุนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่อ่อนโยน เป็นคนที่มีเมตตามีพลังของเมตตาที่ที่เด็กก็สามารถสัมผัสได้เพราะผลต่อเนื่องมาก็ถือว่าท่านเหล่านี้จะไม่มีใครไปทําลายทําลายตัดรอดอายุท่านเป็นใครจะฆ่าใครจะทําอะไรก็มีคนปกป้องคุ้มครองรักษาไว้คนห้ามปราบมาไว้อย่างน้อยก็บอกกล่าวให้ท่านรู้ตัวเราเห็นได้ว่าจริงๆมันเริ่มมาจากการสร้างคอาปิดมิตร นนสร้างความเป็นมิตรสร้างไมตรีจิตกับบุคคลทั้งหลายเนี่ยแล้วคนเหล่า น, นั้นมันก็เหมือนกับรั้วที่กั้นบ้านก็นว่ารั้วคนดีกว่ารั้วบ้านนะนะแต่ว่าเริ่มจากการปฏิบัติแต่อย่าลืมว่าไอ้ปฏิกริยาที่มันปอกันไปซึ่งเหล่ามีสืบเนื่องมาจากการวางตนในคนดีคือมีสมารกรวัดอีกอย่าหนึ่งก็คือเรื่องการงดเว้นจากปานาติบาสนะฮะ เพราะการตัดรอนชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นก็เป็นการตัดรอนชีวิตเราด้วยอย่างที่โบราณท่านสอนมักท่านเท่าใดมักตนเท่านั้ น, น, นเพราะานคนที่ฆ่าคนที่ทำลายชีวิตคนอื่นจะไม่มีอายุยืนนะะเราได้ยินข่าวบุว๋วห้าภาคตะวันออกอยู่เรื่อยเราจะเห็นว่าพวกนี้อายุไม่ค่อยยืนเนี่ยก็เปรียกกันฆ่าฆ่ากันไปเรื่อยเป็นนังเป็นหนังกีนกำลังภายในอยู่เนี่ย นั้นปานาธิบาตเป็นตัวตัดรอนอายุนคนเป็นการทําให้อายุสัน้นอายุยืนก็คืออะไรก็คือการการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ชีวิตทั้งหลายการสํารวมระวังไม่ไปตัดรอดชีวิตตลอดถึงช่วยช่วยคนให้มีชีวิตคือสืบต่อชีวิตคนที่แนวเราออกมาเป็นแนวอะไรแนวปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อ ย, อ, ย, อ, ย, อ, ย, อ, ยอะไรต่างๆตลอดถึงสะดเดาะเคราะห์อะไรต่างๆ มาอยังยังนึ ก, กว่าบางทีเนี่ยญาติโยมไปนิมนต์รถสะดอกเคราะหืออญาติโยมีนใจดําจังเลยนะเอาเคราะหมาให้เรานะต้องการจะให้ตัวเองไม่มีเคราะห์ไปโยน์แม้ไอ้พระเลยเอาเคราะห์มให้พระเลยออรพระก็เนาะนั่งรับเคราะห์จบบ้านเนี่ยยังนึกนึกขำๆ ม, ม, มาตั้งแต่นู้นตั้งแต่บวชไหมเจอเรื่อยๆเยคราะเนี่ยไม่เอามาให้เราทําไมถ้ารู้ว่ามันเป็นเคราะก็ไม่น่าจะเอามาให้นะ่ะฮะนั่นก็คือเราเร า, เรามองในในครั้งฉั่ง แต่วันดีพระเขาไม่ได้ติดใจเรื่องหลดนี้เท่านั้นเองสมมุติว่าเคราะโอนกันได้ในพระก็สะบักสะบอมนะะรับเคราะโยมเยอะเลยเดินเดือนแต่เราก็ไม่ติดใจนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าไอ้จริงเคราะอย่างที่ว่ามันไม่มีหรอกเคราะมันเป็นผลของการทําความชั่วเฉยๆถ้าจะต้องการสะเดาะเคราะห์ป้องกันเคราะห์เลยก็คืออย่าทําความชัว่ว แต่าทาไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับผลของความชั่วแต่จะสะดกดได้อีกหน่อยหนึ่งก็คือซํานึกว่าเป็นความชั่วแล้วก็ตั้งใจสบบัวระวังต่อไปที่เป็นเรื่องส่วนตัวคือท่วงเกินการส่วนตัวก็ขอเข้ามาโทษ ต, ตั้งใจตำรวงระวังต่อไปปัญหามันก็ลดลงไปนะฮะแต่จะแก้จริงจริงก็คงไม่ได้การไม่เบียดเบียนสัตว์ การเบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุให้เราเกิดโรคภัยนะฮะโรคภัยก็เจ็บต่างๆไดเกิดขึ้นแก่คนนี้ยิ่งมันก็ซืมเนื่องมาจากการเบียดเบียนคนอื่นเบียดคนอื่นเบียดเบีย น, น, น, นๆๆสัตว์อื่นมาในชาตินี้ก็เยอะนะชาติที่แล้วก็เยอะเราก็ไม่รู้เราเบียดเบียนอะไรนี่ก็สิ่งที่เรียกว่าติดติดตัวมาคือเรียกว่าสํานวดกรรมก็เรียกว่าเป็นเจนกกรรมเือกรรมที่นําห้ราเกิดมาหรือบางทีก็เป็นอุปธรรมว่กรรม มาซ้ำเติมชีวิตเราให้มีโรคภัยข้เจ็บตอนเนื่องยาวนานนะฮะก็ตัดรอนบันค์ร์โอกาสในการทำความดีแต่ จ, จุดนี้เป็นเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งเรามองที่ใดก็ได้นะเราจะเห็นว่าคนแต่ละคนไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเขาเองคนที่จะหลาดปลาดเปลืองส่วนมากเนะี่ยสุขภาพไม่แขเดีย มันก็แปลกเด้เงกันว่าบางทีคนในสุขภาพดีๆเนี่ยความรู้ไม่คเคยมีอ่ะพวกกรรมกรพวกไรโอแข็งแรงนะฮะแบกบหามในแข็งแรงความรู้ไม่ไม่เคยมีก็แสดงว่ามันก็มีอะไรชดเชยกันอยู่ก็ต้องผวนธรรมชาติก็ไม่ยุติธรรมหรอกฮะแต่ที่จริงแล้วนี่มันระสืบเนื่องมาจากกรรมดยการกระทาของคนต่งนั้น วันณะส่วนหนึ่งมันก็มาจากการระพื้นตนอดน้อมนะคือเราอย่าลืมว่าไอ้ความโกรธเนี่ยเป็นโทษของผีพันธ์จะต้องจับตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดมากเพราะความโกรธนั้นเป็นโทษของผีพันธ์เรามีจิตใจหมกมุ่นโกรธรำคาญหุดหงิดโกรคนคนันนน้นโกรคนนี้เก็บความมัก้าเพยาปาตเอาไว้เนี่ยหน้าตามันก็ไม่สเสมอแต่เมื่อเรามีสัมมาคา ร, รวะเรายอมรับน้อมถือคนหมดเลยมันไม่มีคนให้โกรธ จะเห็นว่าไม่มีคนให้โกรธเมื่อไม่มีคนให้โกรธจิตใจเราก็สบายเราจะอยู่กับใครอยู่กับผู้ใหญ่เราก็อด น, น้องกับผู้ใหญอ่อยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นเมตเพื่อนฝูงอยู่กับผู้น้อยแล้วก็มีความ อ, อ, นนอดน้องกับผู้น้อยมีความเมตตาหวังดีต่อผู้น้อยจิตใจเราเบิกบานอันนี้เราเห็นได้ชัดมากเลยเพราะว่าหน้านั้นต้องผ่องใสหน้าตาก็จะผ่องใสทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บไปนะคร โรคไปก็จบที่ทำวันะของอวันะเราเสื่อมโทรมไปด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายมันก็ต่อมาจากการเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์การทำอันตรายสัตว์ส่งผลให้สุขภาพประลานามัยเราไม่ดีผิวพรรณเราก็เศร้าหมองเพราะการที่จะเสริมสร้างวันะจริงๆก็คือจิตที่อยู่ในเมตตามีความเป็นมิตรมีความปรารถน า, น า, นานดีหวังดีต่อบุคคลทั้งหลาย อย่างที่เคยพบในจุลก ร, รมมยฟังประสูที่แสดงทั้งสูตรนะฮะแสดงทั้งสูตรในเรื่องตอนนี้ว่าคนที่หน้าตาผิวพรรณผ่องสายนั้นก็คือคนที่ไม่โกรธมากกว่คนที่มีเมตตามุงดีปรารถนาดีต่อกันให้ท่านท่านทั้งหลายลองลองสังเกตว่าที่พระเจ้าใช้คำเนี่ยเข้าตีมากๆนะคำสองคำอะอัตตาอัตตนิยา เมื่อคืนนี้มีพระมาจากวัดใต้มันเกิดเกิสนใจธรรมะเลยนั่งอธิบายแก่กปักบอกให้ลองให้ลองจับประเด็นดูมันมีสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเราเห็นว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเราเกิดโลภะสิ่งมีชีวิตเนี่ยเรามักจะเกิดโทสะถ้าเราเกิดโลภ ะ, ะแสดงว่าเราต้องการได้ประโยชน์จากสิ่งเหนั้น จะได้อะไรก็ไปรู้แต่เราต้องการต้องการได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเราเกิดโลภะเพราะฉะนั้นถ้าเราเมตตาต่อคนได้นะเมตตาต่อคนได้ไอ้วัตถุสิ่งของเหล่านั้นมันมันเป็นของคนมันมีเจ้าของนะฮะเราก็ไม่ไปล่วงเกินในตัววัตถุสิ่งของไม่ไปล่วงละเมิดอย่างน้อยที่สุดสีข่ข้ออธินนาขอกามเมนะฮะมันก็บรรเทาลงไปได้ อของนั้นของคนนั้นคนนี้คนนั้นเออคนนั้นเราก็รักใครสนิทสนมกันเห็นไหมฮะเราจับเมตตาที่คนเนี่ยแต่เราไปแก้ปัญหาที่ของได้แต่เราจะไม่โลภที่ของแต่ตอ น, นี้บางทีเราไม่โลภที่ของเนะฮะมันก็ก่อให้เกิดเมตตาที่คนได้เป็นของเออนึกอยากได้เออม่ของก็มีเจ้าของเขาอย่าไปลุกเกินเขาเอย่าไปเบียดเบียยเขาอย่าไปรักขโมยเขาเห็นไหมฮะเรามาเริ่มที่ของ แต่มันปเป็นข้บที่คนคือจะไม่ไปเบียดเบียนคนเพ ร, ะราะลักษณะของกิเลสและลักษณะธรรมะเขาต่างกันในข้อที่ว่ากิเลสนั้นจะระบายความเลวร้ายไปลงที่คนอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่ธรรมะนั้นเป็นการสะท้อนความดีจากตัวเองไปเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นคือหมายความว่าเราเองก็ได้ประโยชน์นะคนอื่นก็ได้ประโยชน์ ดู ง, ง่ายๆนะฮะดู ง, าง่ายๆงั้นแหะตัดสิน ง, าง่ายๆที่พระเจ้าใช้ขับง่ายๆในสัพพริสธรรมนะฮะ <strangers> ไม่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเดือดร้อนจะทําจะพูดจะคิดจะปรึกษาเป็นสี่เรื่องจะทําจะพูดจะคิดจะปรึกษาอะไรก็ใครก็ตามไม่ทำไม่พูดไม่คิดไม่ปรึกษาเพื่อทําตนเองให้เดือดร้อนและทาบุคคลอื่นเดือดร้อนคือว่าไม่ไม่ให้เกิดการเบียดเบียนตัวเองและคนอื่น นี่ก็เป็นเป็นเป็นสูตรง่ายๆคิดง่ายๆเดี๋ยวไม่ต้องไปถามอะไโลภะตุสร์มหะขี้เกียจตาถามไม่ต้องไปถามก็ได้ ด, ดูตรงนี้ก็พอแล้วออทีนี้ถ้าหากว่าเรารักษาใจเราเนี่ยรักษาใจเราให้ดีให้มีเมตตาเนี่ยหน้าตาเราก็ผ่องใสผิวพรรณเราก็ผ่องใสแล้ววันลนะบางทีเนี่ยไม่ได้หมายเฉพาะตรงนี้นะหมายถึงพวกเลย วันนาพราบันนาแพทย์วตูดเเห็นว่าก็หมายถึงพวกด้วยห้าความยังไงหมายความมาถ้าใจเราดีเรายึดเหนี่ยวน้ําใจพวกไวได้เพื่อนฝูงไว้ได้ไม่ว่าอะไรนะฮะเพื่อนฝูงสามีภัญญาผูบา้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาจุดยึดเหนี่ยวของเราก็คือไม่ตรีจิตหรือเมตตาจิตต่อกันด้วยความรักด้วยความหวังดีอะไรก็ตามนะฮะที่จริงก็เป็นเป็นพวกอาการเดียวกันหมายความเราเอื้อต่อเขา ไม่ใช่มุ่งแต่จะได้ส่วนตัวของเราอย่างเดียวแล้วก็อายุวรนลนะแล้วก็สุขสุขนี้เยอะเลยนะฮะสุขนี้แสดงเหตุไปเยอะเลยตาปกติเราจะอ้อนวอนราตนาบวงสวงเนี่ยเรียกพระพุทธเจา้ามาใช้สอยก็ให้ความสุขแก่เรานะฮะไอ้ชายอย่างนั้นไอ้ชายอย่างนี้ชายอย่างโน้นนะี่ยนะแต่บางบางทีมันเป็นรูปแบบมันรูปแบบ เป็นการตั้งความปรารถนาดีแต่เราไม่ถึงก็เรียกใช้แล้วนะฮะแต่ถ้าแนวพระเจ้าเราจะมาเรียกใช้เลยนะเด็กใช้พระเจ้ามาช่วยรูกด้วยนะฮะอยู่ตรงไหนไม่รู้พระเจ้าต้องรีบมาแนละ้วบางทีข้าวห้องน้ําก็ต้องรีบมาแนละลงยุ่งกันนะอินดัวพระเจ้าเนี่ยเด็กเรียกใช้กันเลก็ความสุขมันก็เกิดขึ้นมาจากบางทีทรงทรงพูดโดยสรุปก็้ังๆอะไรคายๆกับปั้นทุกดินเนี่ยเพ่อ ก็จัดเหตุแหงทุกข์ได้เป็นสุขในที่ตั้งปู่กันนี่พูดโดยสรุปเลยหมายความยังไงหมายความว่าเราจะต้องมองเห็นว่าตรงนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ตรงนี้เป็นเหตุให้เกิดความสุ ข, ขเพราะาอะไรที่เป็นเหตุของความทุกข์มันก็ตัดทีนี้ท่านนับเนมันจะยากมากเลยเรจะเห็นว่านับมันไม่จะนับยังไงมันเยอะแยะไปหมดเลยเพอท่านรู้ท่าเจ้าจึงมาสรุปไว้ว่ า, วาไอ้ตัวเหตุ ข, ของทุกข์คือสมุดไง แล้วมันแตกกิ่งก้านสาขายัางไงกขาชักมันมนะครทีนี้ทํำยังไงเมื่อเราต้องการสุขเราก็ต้องลดที่ตัวสมุทรไทยลดกระแสความตระหนากลดกระแสะอารมณ์พูดง่านลดกระแสะอารมณ์การไขว่คว้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็ตามนะถ้าจะให้เกิดสุขระดับการครองเรือนก็คือสิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่เกินอำนาจวาสนาของเรา แล้วความสิ่งเหล่านั้นเมื่อยากแล้วมันเป็นไปได้มันสามารถได้ใช้ความเพียรพยายามนะสําเร็จประโยชน์ได้แต่ตามปกติแล้วความอยากเนี่ยมันจะไม่รู้จักประมาณตัวมันเองอยากไปโน้นอยากไปนี้นะอยากอยากใหญ่ใอยากรวยรวยอยากดีๆอยากสูงๆนะฮะเคยสังเกตคนบ้านนะที่วัดอรม์มรนมันค่อนข้างมีอาถรรพ์ในใจอยากผู้ใหญ่ก็เคยเล่าังมาที่วัดนี้ไม่เคยขาดคนบ้าเลย ถ้าไม่มีข้างในก็เข้ามาจากข้างนอกเพราะฉะั้นเราต้องตรงให้ตกเลยว่ามันก็ขาดไม่ได้อ่ะต้องมีอ่ะนี่คนบาปแต่คนที่จริงก็เป็ น, เ ป, นเป็นบทเรียนว่าแกคิดมากเป็นมากแล้วก็เป็นเนี่ยฮ ะ, ะจากการสังเกตว่าเป็นราชการที่ห้านะแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้านะแล้วก็เป็นพระเจ้าอะไรเนี่ยพระนารายณ์พระอิศวนพระอะไรพระอุมาพระอะไ ร, ร, ะะไรแต่แถเนี้ยนะฮะ แต่แต่เนี่ยมาความเป็นเป็นเป็นเป็นชั้สูงเท่านั้นเลยเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเป็นพระรเจกาที่ห้าเนี่ยฮะรายการที่ห้าแล้วก็เป็นเทวดาชื่อชื่อต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์จนถึงเป็นพระพุทธเจ้านั่นแสดงว่าความอยากที่แกสะสมไว้ภายในใจเนี่ยแกไม่รู้เหตุผลอะไรเพราะการเป็นอย่างนั้นมันต้ต้องเป็นอย่างนี้มันไม่แยกคุณอยากเอา เหตุการณที่ห้ากว่าท่านจะมีบา ร, รมีได้ท่างก็สร้างบา ร, รมีมานานนะฮะเป็นพระเจ้าเผ่นดินตันต้งสีสิบสองปีมันจะวันนิ่งๆฝันเฟื่องเงาแป๊บเดียวก็เป็นแล้วแสดงถึงลักษณะของของโลภะที่แกไม่รู้จักประมาทและไม่รู้จักสถานะตัวเองจนนั้นก็เป็นก็เป็นได้แต่ที่น่าน้อยใจก็คือว่าพอพวกนี้ประกาศเป็นแล้วมีคนเชื่อเนี่ยมีคนเชื่อที่ จังหวัดสุขโขทัยเดี๋ยวนี้มีพระพุทธเจ้านะฮะมีพระพุทธเจ้าเป็นชาวนาธรรมดาอายุสักหกสิบป่าตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าที่น่าน้อยจะยิ่งกว่านั้นก็คือมีพระเราไปสมัครตัวเป็นลูกศิษย์สิบเจ็ดรูปน่ากินขี้หมาแล้วเกิดอยู่ยังไงนี่คนโง่ให้ให้หลอกได้อยู่ดีๆนายแกก็สบายนะฮะ แกก็สบายแกก็เลี้ยงดูครอบครัวแกได้สบายแล้วเพราะขนาดพระไปเป็นลูกศิษย์อยู่สิบสิบเจ็ดรูปเนี่ยก็เริ่มต้นนะฮะต่อไปแกคงได้ไปดิเอาชาวบ้านอ่ะสามสีสิบคนเนี่ยแกก็เลี้ยงครอบครัวได้สบายนะฮะลูกช้างถวายวันสี่ส้าห้าบาทได้เยอะแล้วนะฮะไหวพรูุ้ทธเจ้าว่าแกเลี้ยงครอบครัวได้แกสบายแกอันนี้ก็คือก็คือสังคมสมรจะว่ะยังไงอะนะแก แค่ใก็ยากไปพูดเขาก็ขัดคอเขาฮะก็โกรธถาว่าเราริษยาอะไรก็พูดยากนะเพราะงั้นตรงนี้จะจะเห็นว่าจะต้องสืบสาวถึงถึงเหตุได้เกิดความสุขดังนั้นบางครั้งเนี่ยจะใช้ใช้คำโดยสรุปเช่นศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้เห็นไหมเอาเอาเอาตรงนี้เลย ว่าทำยังไงเราปลูกฝังศรัทธาเราให้เกิดความมั่นคงในเรื่องที่คนคนรศรัทธานะฮะเราจะเห็นว่าเราจะศรัทธาดายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ภูมทิศทางเราศรัทธาเราเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรมของตนแล้วก็เชื่อมั่นในพระุทกุศลทีนี้จากศรัทธาเนี่ยเราก็ให้เริ่มตรงนี้ที่จริงมันไม่เริ่มตรงนี้นะมันก็คล้ายกับอภิญญาณใหม่ที่ว่าในการพืชต้ น, ต น, นอด น, น้อมสองต น, น มันเป็นการเลื่อนไหลสู่กระแสของกุศลหมายความว่ากุศล ต, ตรงนี้ก็เกิดแล้วกุศลอย่างอื่นที่ไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากิาง่งขึ้นแต่เราเชื่ว่าพอถึงศรัท ธ, ธามันก็มองกลับไปที่สองกลุ่มที่ว่าตะกี้นะี่คือคนกับสิ่งของอะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเอาพูง่ายงอย่างนั้นจากพลังของศรัท ธ, ธามันเริ่มจากสิ่งไม่มีไม่ใช่เริ่มจากสิ่งมีชีวิตนะฮะเริ่มที่รพระพุทเจ้า แต่ในคําสอนของพรุทธเจ้ามันมีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้ควคำพูดถึงสิ่งมีชีวิตก็มีพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตก็มีโดยพลังของศรัทธาที่ก็เพิ่มขึ้นเนี่ยในช่วงแรกจะกระจัดความไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อคําสั่งคําสอนคําแนะนำํำอะไรต่างๆหรือว่าคุณคุณโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วต่อไปก็จะกระจัดความ เคื่อบแคลงสงสัยออกไปซึ่งหมายความมาตรงนี้ก็คือปัญญาเป็นหลักเห็นไหมว่าศรัทธาในเราไม่ต้องพูดปัญญาปัญญามันเกิดขึ้นเองปัญญาเกิดขึ้นเพื่อพลังศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าศรัทธาเขาจะขจัดความไม่เชื่อก็มไม่เชื่อก็คืออะไรก็คือโง่คลา่เครือบแคลงสงสัยคือรู้ไม่จริงทีนี้เมื่อถูกกจัดมันก็กลายเป็นรู้จริงไอ้ที่โง่มันก็กลายเป็นรู้ขึ้นมา ในจุดเดียวกันในจุดซึ่งเคยมีความไม่เชื่อในจุดซึ่งเคยมีความเครียดแปรงสงสัยนั่นเองมันก็เหมือนกระแสสว่างที่เกิดขึ้นในจุดซึ่งเคยมืดและจากนั้นเนี่ยมันจะออกมาในรูปของรถละพวกกิเลสสายโลภะซึ่งก็ได้แก่พวกวัตถุสิ่งของเห็นไหมเป็นลถที่ตัววัตถุสิ่งของขอก็โลภเราจะควบคุมทิฏทางกับความโลภได้แล้วพอมีกําลังมากขึ้นเนี่ยแกจะไป ลดตัวกิเลสโทสะในคนนะฮะในคนหมายความว่าไม่โกรธในคนที่เขาศรัทธาทีนี้การดูว่าจริงไหมที่พระเจ้าทรงสอนอย่างนีจริงไหมเราดูที่ใจเรานะเราดูที่ใจเราเราจะเห็นเลยว่าคนใดก็ตามที่เราศรัทธาเนี่ยเราศรัทธามากๆท่านดุท่านด่ า, นดานเนี่ยเราไม่โกรธเรารู้สึกเหมือนกันได้พอสุด เ, นเนย็นนะฮะเรารู้สึกเย็นแล้วก็ วัตถุสิ่งของของคนที่เราศรัทธาเนี่ยเราไม่อยากได้แต่เราอยากให้เราอยากบูชาบางีก็แยกเงินตักบาทดูตลุดเลยไม่รู้ไม่รู้พระจะฉันยังไงก็แยกเงินตักบาทสี่ห้าชั่วโมงตักบาทเฉยเลยอันนี้ก็คือก็คือแสดงหนึ่งฝลังศรัทธาแทนที่เราจะอยากได้เนี่ยเราไม่อยากได้ของท่านแต่เราอยากให้หมายความว่าไงหมาความว่าเราลดโลภะ ก็นำความสุขมาให้เพราะว่ากิเลสมันลดเราไม่ต้องพูดถึงตัณหาเลยก็ได้นะที่จริงตัณหามราก็ลดไปแล้วนะเพราะตัณหาที่จริงก็คือโลภะโทสะวะบางทีก็สรงสแสดงในรูปของการฝึกจิตจิตตะระมาโทสาธุการฝึกจิตเป็นความดีจิตตั้งดันตั้งสุข่าว่าขังจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้เอาพูดเรื่องฝึกจิตอย่างเดียวแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต่างกันโดยวิธีโดยรูปแบบ แต่จะเหมือนกันโดยเนื้อหาหมายความว่าคนจะรับความสุขด้วยกันทั้งนั้นทุกข้อแล้วความสุขเหล่านี้ที่ปรากฏแก่จิตเราชัดเจนก็คือว่าในขณะนั้นกิเลสมันได้ลดลงไปแล้วก็คุณจะทำในข้อใดก่อนก็ได้นะเกิดขึ้นแล้วก็ อ, อื่นก็จะเกิดตามมาให้คุณเราสังเกตว่าในคนเนี่ยเช่นสมมุติว่าเราเราเมตตาคนคนนี้นะ เราไม่ตาคนนี้เรารักคนคนเนี้แล้วเราก็รักต่อไปเรื่อยๆนะที่เกี่ยวเนื่องกับคนคนนี้นะเรารักเอพ่อพแม่เขาเราก็รักพี่น้องของเขานะนับญาติทั้งวงศารก น, ไไนับไปเรื่อยๆสนับไปเรื่อยๆสาบใดที่ยังไม่เสียศูนย์ในจุดใดจุดหนึ่งนะแล้วเราก็ความรักความเมตตามราก็แผ่ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าวันไดวันหนึ่งก็เกิดโกรธคนใดคนหนึ่งขึ้นมาบางทีลามปามได้นะถ้าหากว่า สติสมัมปจนญะเราไม่ดีพอแต่สติสมัมปจนยะเราดีเราก็แยกได้มันเรื่องเฉพาะคนนั้นคนนี้คนโน้นไม่เกี่ยวเลยก็แยกได้ปัเหตุทั้งหมดเนี่ยเอธธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสุขสุขมันเป็นผลรวมเฉยๆพูดยังไงก็สุขทั้งนั้นนะฮนะแต่ยริงก็อายุยืนยืนอย่างที่ว่าเนี่ย ว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่คนต้องการอะห้องเต้สมัยบอตั้งตั้งแต่ไหนๆมาแล้วนะะพวกพวกพวกเรียกว่ยายุวัฒนะนี่ยคนเห็นว่ามีเผยแพร่กันตลอดเลยอายุวัฒนะต้องการอายุยืดอเราไปเห็นพระเทระของงท่านแปดเก้าสิบแล้วก็อย่าเอาเลยอย่างไงเดี๋ยว <laughs> ยังไกว่าเราไม่เอาแน่เลยแต่ก็ว่าไม่ได้นะไม่ก็ไม่รู้รว่ามันึกด้วยว่ามันมันมันจะเอาไปทําอะไรอายุอย่างไง วันก่อนไปไปพิปรายที่ที่จุฬาจุฬาวิชยาการเขเรียกว่าจะตายทั้งทีขออย่างนี้ได้ไหมก็มีแพทย์คนหนึ่งมีนักกฎหมายคนหนึ่งมีนังพยาบาลคนหนึ่งแล้วก็มาคือพูดในทำนองคล้ายๆถ้าเราเลือกตายเองว่าเราจะตายแล้วใครจะไปใส่สายระโยงระยางจะไปอะไรจะไปช่วยอะไรนี่ได้ไหมหรือว่าช่วยอยู่แล้วตอนนี้เราอยากตายแล้ว เราขอถอดได้ไหมหรือหมอถอดได้ไหมหมอเห็นว่าตอนนี้สมองตายแล้วทําไปทำมามันก็หาข้อยติไม่ได้นะฮะพูดกันสองชั่วโมงกว่าเนีหาข้อยติไม่ได้เพราะว่าถ้าเรามองจากศีลธรรมเนี่ยยังไงก็ตามมันมีลมหายใจคือศีลมันปานานะฮะศีลปานาติปาตาปาณาก็คือมีลมปราณมีลมหายใจอยู่ไอ้อุ่นยังมีอยู่ร่างกายยังอุ่นอยู่ ค, คือคือคือท่านตายในศาสนาพูธเนี่ยบอกว่าตายก็หนึ่งวิญญาณดับวิญญาณดับลมหายหายใจดับนะต่อกันเนี่ยนะลมหายใจดับอายุขาดการสืบต่อมันขาดแล้วก็ไออุ่นดับเออตรงนี้ที่จริงต่อกันกันสั้นมากนะต่อกันนะวิญญาณดับอายุกับอายุเออลมหายหายใจหยุดนะลมหายใจหยุดแล้วก็อายุก็ขาดหมายความว่าการสื่อต่อชีวิตมันก็ขาด ชีวิตตินทรียุปเชดดานะฮะเป็นการสื่อชีวิตตินรีบังขาดตอนนี้สังขารตะวนนางสียาสังขารมันก็ตายก็เดียวสังขารมันก็ตายทำไปทามาเขาให้มาขึ้นก่อนนะอามาก็ขึ้นตั้งหลักไปอย่างนั้นเลยที น, นี้พวกนี้สาวพุทธตั้นั้นเลยไม่กล้าไปไม่กล้าไปก็เลยไปไม่ได้พวกหมอมันก็ไม่กล้าออกไปเพราะมันก็เสียวๆเหมือนกันนะคนระับไปเป็นแนะนำมันก็ฆ่าตัวตายเนะี่ย อันนี้ก็คือถ้าเราคิดเป็นปัิเจกชนเนี่ยนะคิดเป็นปัจเจกชนเนี่ยมันก็คิดไปได้แต่ว่าแต่เราคิดในแง่ธรรมะมันก็คิดไม่ได้เพราะนผิดศีลผิดธรรมอาอยุยืนยืนมานถือมันก็ไม่สนุกนะะของไทยเราเนี่ยเขายังชั่วหน่อยนะร้อยกว่าปีนะของจีนเน่ยสาหัสเลยหมืน่นหมืนปีเลยโอ้เสียวหลังนั้นเอาทำอะไรไปเลยีเติงเสี่ยวเปิงแปดตีแปดได้แย่อย่แล้วตอนนี้ อันนี้ก็คือก็คือเราเราไม่รู้วจะเอาทําอะไรเหมือนกันนะี่ยนะเอาไปถึงเมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ยเจอคุณสัญญาเขาบอกตอนนี้เขาเขาแปดสิบแปดอะ่ะบอกให้ได้สักร้ อ, อยสิบหกปีพวกคอาจารย์จะให้ผมไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วแต่เงี้ยนในร้อยสิบหกปีมันก็จบกันนะี่ยนะเข้ากินแล้วไม่กินก็ไม่รู้กันเพราะฉนั้นอายุนี่นึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าว่าเอาไปมากๆทําไหมแต่ถ้าเราดูในตรงอื่น ดูในตรงอื่นพระพุทธเจ้าไม่ให้ความสำคัญตรงนี้แต่ว่าพูดแบบกระแสะโลกนะนี่นี่คือคือพูดแบบแบบอเออเกลียิตผลคือผลที่ชาโลกเขต้องการแต่ที่พระเจ้าทรงทรงเน้นเนี่ยไม่เน้นที่ตัวอายุเน้ น, น, น, น, นที่ตัวการใช้เวลาของชีวิตตอนนี้มีพระหมายมาบวชมีองหนึ่งท่านเป็นหมอไปขอหนังสือตายแล้วไปไหนมาอ่านเยอะเลยบกคุณต้องถามมาบวชแล้วทําอะไรตายแล้วไปไหนยังไม่ตายไม่ต้องรีบตายหรอก ตัวที่บวชแล้วทําอะไรนี่มาดูตรงนี้กันก่อนมันคว้าไปไกลเกินไปนะคือเราตอบไม่ได้นะไปแล้วไปไหนมันเป็นเรื่องปัจเจกชนเลยคนที่รู้ว่าไปไหนเนี่ยคือคนที่ได้ฌานเป็นต้นไปเท่านั้นเองอันนี้แน่นอนเลยว่าถ้าได้ฌานก็บังเกิดในรูปผมแต่ปัญหาว่าก่อนคุณตายในฌานคุณเสื่อมหรือเปล่าเราไม่รู้อีกะตรงนั้นแต่เกิดฌานเสื่อมมันก็ไม่รู้ไปไหนกันเพราะฉะนั้นคนที่น่าจริงๆคือพระโสดาบันขึ้นไป แจะถามว่าไปไหนมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ที่แน่นอนที่สุดคือไม่ตกนรกท่า น, นั้นเองเพระโสดา บ, านบันบางทีท่านท่านท่านเลือกเอาได้นะท่านเลือกกอาได้บางทีท่านนึกสนุกขึ้นมาท่านก็ไม่อยากไปเกิดสูงสูงอะไรถ้านเกิดเป็นมนุษย์จะก็มีบางทีท่านเกิดเป็นอย่างไม่เจ้าพิมพิสารไม่เกิดเป็นชนะวัสภายาักษ์เนี่ยนะพระโสดาบันไม่เกิดเป็นยักษ์เสียชื่อตายทีเจ้าถามทำไมไปเกิดที่ท่านทาไม ท่นบอกมันมันมันคุ้นคุ้นเยอะคนคุ้นค้นอยู่เยอะ <c oughs> คือชาติก่อนเนี่ยท่านเคยเกิดที่นั้นแล้วเพื่อนฝูงยังไม่ตายเยอะเลย <c oughs> เลือกชาติได้ก็เห็นโอ้มันยังอยู่กันเยอะเลยไปอยู่กับพวกนี้ดีกว่าก็ไปเลือกเอาอ่ะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเราก็หาคําตอบไม่ได้ครับว่าจะไปไหนนํานเป็นเรื่องปฏิจเจตนชนโดยเฉพาะเลยแล้วเป็นเรื่องขณะจิตด้วยนะจิตผ่องแพ้วกระหวังได้ว่างเกิดให้สุกติ จิตาหมองก็เกิดในทุกกติแต่ทุกกติไหนสุกติไหนก็ไม่รู้อ่ะนันเป็นรายละเอียดในเรื่องเฉพาะคนเดี๋ยวเราก็พยายามหาคาตอบในเรื่องที่เราตอบไม่ได้นะฮะเพราะมันเป็นเวลามันยังไม่ถึงทั้งหมดเลยเราจะรู้มาตอนระดับนะฮะ ร, รู้จริงๆตอนระดับจิตประการต่อไปคือยศอายุวันนะสุขยศนะฮะ ยศเนี่ยที่จริงก็ศาสนายอมรับหมดทั้งสามยศ อ, อิสยศก็ยอมรับนะวะสูอิศยังโลกเกออำนาจเป็นใหญ่ในโลกนะยศบรรูุกอำนาจแล้วก็บริวารยศก็ยอมรับแต่พระพุทธศาสนาจะมีวิธีการได้มาไอ้ น, นี่คือสิ่งนี้มีปัญหามาก เวลานี้เราไม่มองถึงวิธีการในการได้มาแต่มองเฉพาะสิ่งที่ตนได้ซึ่งเสี่ยงมากอันตรายมากๆ ก, ก, การการมองสิ่งถึงเหล่า น, นี้นะฮะเพราะว่ามันเกิดมาจากเหตุการวงสวงการอ้อนวอนการวิ่งเต้นการให้เงินใดๆแต่ไรเนี่ยนะก็ <c oughs> ซื้อกันนะะเดี๋ยวนี้ยศมันก็ซื้อกันและอุตลุดไปหมดเลย คือกลายเป็นสินค้าไปหมดเป็นยุคธุรกิจเบ่งบานนะะเป็นสินค้าหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปะต่อไปการเทศเราคงคิดเป็นตะปะไอ้คนเขาคิดเป็นสินค้ากันด้วยแลนะตัวมีนะเคยเคยไปทางเชียงใหม่นะถูกญาติโยกมาเอาฟ้องเชียงใหม่กับเชียงรายโยกมาฟ้องว่พระที่นี่ไม่ไหวเลยเทศก็ตีราคาไปเลยนะตีราคาเอาท่านั้นท่านี้เลยนะตกลงไหมถ้าไม่ถ้าไม่ตกลงไม่ไป ถามมาหลายองค์หรือเปล่าโยแหมโยไม่ไหมาหมดได้ยังไงแล้วองเดียวปรากฏองคเดียวบอกโยผู้หลวพระที่นี้ได้ยังไงแล้วผู้หลวพระที่นี้มันหมดทั้งเชียงใหม่เชียงรายนะพูดองค์เดียวก็องค์เดียวแต่โยบอกชื่อมันจะต้องพูดเหมาหมดได้ยังไงอ่ะเอจ้าบ้านก็เหลือเกินพระองค์เดียจริงๆไงปรากฏองค์เดียวมันไม่ใช่อะไรอะฮะคือว่าคนแย่งกันมันเพศแบบเหนือเขาอะแล้วก็พระทําได้อยู่องค์เดียวแล้วพิธีมันเยอะ แล้วคนก็แย่งกันไอ้ลูกศิษย์เดี๋ยวเราไปตั้งลูกศิษย์นะลูกศิษย์เดี๋ยวไ ป, ว ไ, ปไปคิดเป็นราคาคิดมาอาจารย์ไม่รู้เรื่องหรอกเป็นพระทําได้ในรูปเดียวนะฮะทำได้ในรูปเดียวแต่นั้นเองเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเทพทางภาคเหนือเข้าไปด้วยอะไรยศจริงๆต้องได้มาจากเกียรติยศเราจะเห็นว่าพูดว่ากัญญาโนกิตติสดวุปุกัสสติเกียรติคุณอันดีงามพุ่งกระจรกระจายไป เพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนามุ่งเป็นใหญ่เหนือตัวเองคือชนะตัวเองอาตาวเวจิตังสยบหรือชนะตนนั่นแหละเป็นการดีเพราะที่เราควรจะเป็นใหญ่ให้เหนือจริงๆก็คือเนือเนือใจเราเนื้อกิเลสนะฮะเนือกิเลสไนะออายากใหญ่เหนือคนอื่นจริงๆไม่แน่จริงนะนะไม่แน่จริงหรอกสแสดงว่าแพ้นะะมองยศศาสนาคือแพ้มาความแพ้ใจตัวเองแค่ความอยากบังคับให้เราอยาก จานั้นจะบรงคับเราอยากต้องใจต้องโตอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกพวกพวกอิสยยศเนี่ยมันมันมีตําแหน่งจํากัดมันจะต้องมีคนไม่ได้ในมากกว่าคนได้เป็นธรรมชาติเลยยิ่งสูงยิ่งน้อยเพราะันมาถึงถึงจุดนี้ก็คือมีการต่อสู้มีการดแจ้งเพื่อได้ตัวอิสยยศ ต, ตรงนี้แล้วบริวารมันก็ได้มาโดยอำนาจด้วยเงิน สิ่งอะไรก็ตามที่ได้มาด้วยอำนาจําเงินเพราะหมดเงินหมดอำนาจเราก็หมดเห็นไหมไอ้ใหญ่เนี่ก็หมดแล้วบริวารก็หมดนะจริงบริวารก็หมดเดี๋ยวนี้จะไปพูดอบรมข่ารายการเรื่องบริหารคนเนี่ยเราจะพูดตรง น, นี้มากคืออย่าไปคิดว่าเราต้องใหญ่คิดว่าทํายังไงจึงจะเอาใจเข้ามาได้ใจที่เป็นมิตรใจที่มีความเคารพนอบถือใจที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเนี่ย และแม้เราจะหมดอิสย์ยศแต่ว่าบริวารยศเรายังมีเราจะเห็นว่าข้ารการผู้ใหญ่บางคนอายุตั้งแต่80แล้วบันเกิดลูกน้องอย่างเต็มเลยนะแล้วก็เด็กรุ่นหลักก็ยังมากกันทางท่านเกษียณเป็นนานแล้วคนรุ่นนั้นอย่าเออข้ามาไม่ทันได้ทําไปแต่ว่านับถือในเกียรติคุณความดีของท่านถึงวันเกิดวันใะไร่ะไรก็มาการงานศพก็มากกัน หตือบงทีบางบางทีคนใหญ่ๆเราก็เคยยไปงานศพใหญ่ๆกนานะเข้าโกรธนะคนร้องแย้มจังคือเห็นได้ชัดมากๆเลยว่าอิสยศที่มันเกิดมาจากไอ้นี่อํานาจราชศักอะไรต่างๆนะถ้าไม่เอาใจคนมาได้นะบริวารเขานับถือเพราะอํานาจในขณะที่ถือปืนอยู่มีอานาจอยู่รเรง่ายมีอานาจอยู่แต่เขาก็พร้อมที่จะดัดหลังพร้อมจะทำลายเมื่อ โดยหมดอำนาจวาสนาเพราะงั้นท่านจึงเป็นเน้นที่ตัวเกียรติยศเกียรติยศก็เกิดขึ้นมาจากการกระทําความดี เ, เช่นในที่หนึ่งทรงแสดงเรื่องทางเกิดแห่งยศไว้เจ็ดอย่า ง, างนะครับเดึงมีความหมัน่นขยันสองมีสติแล้วสามมีการงานที่สะอาดสี่ใคร่ครวญแล้วก่อนจะทํา แล้วก็ห้าเลี้ยงชีวิตโดยธรรมแล้วก็สารวมระวังมีความสรวมระวังแล้วก็ไม่ประมาท แ, แสดงว่าเป็นทางเจริญแห่งยศเจ็ดประกาศได้กันหมายความว่าจริงๆแล้วก็คือเกียรติยศทั้งหมดเป็นการเอาชนะกิเลสประมาณกระยันกน็คือเอาชนะความเกียดแรัน สติก็เอาชนะความเผลอเร่อความหลงลืมความรังพลาดต่า ง, าางๆการงานที่สะอาดหมายถึงจิตใจที่สะอาดที่รังเกียจบาปรังเกียจอกุศลทั้งหลายสแสดงว่าเอาชนะบาปเอาชนะอกุศลทั้งหลายทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่า พ, พระพุทธเจ้าจะเน้นที่การชนะไม่ใช่การอ้อนวอนการบ่งสวงเพื่อให้เกิดแล้วเกิดแล้วอย่าเพลินเพราะอะไรเพราะทั้งหมดมันเป็นวัตถุ ก, การมทั้งนั้น เปนอนิจจตาทุกตาหน้าต า, ตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกไปนหน้าตาแต่นั้นร่างกายเองนะฮะอายุเองก็ไม่เที่ยงอนาเองก็ไม่เที่ยงแล้วความสุขเองก็ไม่เที่ยงน ะ, ะตัวยศเองก็อีกอแต่ว่าในสามอย่างนี้ให้ลองสังเกตว่าบริวารยศนั้นติดโลกนะแล้วก็อิสยยศก็อยู่แค่โลกแต่ว่าเกียรติยศนั้นจะติดชีวิต จะติดสังถานวัตรเพราะะน้นคนมรติตายไปตั้งนานแล้วนะเกียรติยศชื่อเสียงความดีก็จะมีอยู่พุทธศาสนาก็เน้นที่ตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็อย่าไปเพลิดเพลิอพอนอย่าไปหลงหลงยึดติดหรือหลงอไขว้าทั้งสองอย่างมันไม่ดีเท่านั้นนะคนเราก็แปลกก็พยายามพยายามมองตรงนี้พยายามเน้นตรงนี้แต่ตรงพูดยากนะฮะก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งสามอย่างคือเรียกว่า เออเป็นมีธรรมนะฮะเป็นมีธรรมเนี่ยเราจะอยากเป็นเนี่ยอยากเป็นในมากที่สุดเพราะอยากเป็นเนี่ยมันเป็นตนาเป็นกรรมตนาเป็นวตนามีเนี่ยเราอยากมีเราอยากมีเพราะมันเป็นการมตนาอยากเป็นมันเป็นวตนาแต่ธรรมเนี่ยมันเป็นวิริยะเราขี้เกียจเห็นไหทีนี้ไอ้มีกับเป็นเนี่ยมันเกิดจากธรรมมีก็เป็นมันเกิดจากธรรมเราต้องการมีอะไรต้องการเป็นเราก็ทําดีประกอบความเปลี่ยนถูกต้อง เราก็ได้นะเราก็เป็นแต่อยากแต่อย่าอยากอยากมีอยากเป็นเกินสถานะอย่างที่ว่ามาแล้วแต่ทีนี้ที่ขัดแยง้งที่เราต้องวงสูงที่อ้อนวอนต้องวิ่งเต้นนะฮะต้องวิ่งเต้นที่เป็นเด็กฝากเด็กเพือะไรอะไรเนี่ยก็เพราะว่าเราขี้เกียจเห็นไหมว่าทำเนี่ยมันเหนื่อยนะฮะทำมันเหนื่อยแล้วแม้แม้จะทําเราก็ต้องการทําน้อยๆแต่ได้ผลมากๆ บางทีตักบาตร้าพทีเดียวนะฮะอธิฐานให้ถูกสลากกินแบ่งวันที่หนึ่งซึ่งมากเลยโอ้ยพระอธิฐานในพระเสียวหลังบูบูไปได้โยมอธิฐานเอาอะไรก็ไม่รู้นี่นะเวตักบาตรทัพที่เสียวนะฮะโยมนั่งอธิษฐานนานจังเลยว่างไงเนี่ยจะไหวหเปล่าเพื่อเกินนะฮะอา้าว้าพทีเดียวต้องการสลักกินแบ่งวันที่หนึ่งทำบุญนั่งเยอะไม่เห็นได้อะไระเล่นได้ต่างหลายล้านเนี่ยงัย้นจะไปที่ไหนได้ ไอ้เ น, นี้ยคือคือว่าเป็นความอยากเราต้องการลงทุนน้อยๆนะฮะธรรมชาติของมนุษย์จะลงทุนน้อยๆแล้วต้องการได้ออกมากจากจุดนี้ทําให้เรามองเห็นเมื่อวานก็คุยกันนะ่ะวันซื้อเด็กคุยกันบอกให้ลองสังเกตไอ้พวกนี้ตอนมันเป็นเด็กมันขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจเรียนหนังสือแต่ว่ามันโตคือมันอยากใหญ่มันอยากใหญ่ปัญหาเงินเป็นมันชอบโชนอะไรอะไรมามันแต่เอาเงินไปซื้อเอาและความสามารถอะไมัน ไม่มีแรับแต่มันก็รู้สึกว่าได้เป็นรู้ได้เป็นแล้วก็สังคมก็ให้สถานะเขามันก็ยุคสมัยอย่างนี้มขาก็รู้ว่า ย, ยัางไงเราก็เกิดมาร่วมยุคกับเขามันต้องยอ ม, ต, อยอมต้องยอมรับสภาวะเหล่านี้นะแต่เราจะไหลไปตามเขาก็แล้วกันว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติเขาเป็นอย่งั้นเองทีนี้เรื่องสวรรค์โจะเรีนว่าเรื่องสวรรค์เนี่ย มันเป็นผลสรุปของบุญกุศลทั้งหลายคำว่าสวรรค์เออจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะฮะแปลว่าอารมณ์ที่เลิศสักขะนะฮะสรักขะหรือที่แปลว่าสวรรค์นนะแปลว่าอารมณ์เลิศหมายความว่ารูปรูปเนี่ยมันดีรูปประณีตนะเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนะจาจะต้องมันมันก็มันก็แบบมนุษย์แต่เขาเรียกว่าเป็นชิป พวกนี้มั น, ม, นมันสิ่งที่เป็นทิพย์เท่านั้นเองมันประณีตกว่าเดิมแต่ว่าอนิจจตานะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน้าตาเหมือนกันให้ลองสังเกตว่าตอนที่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับภาษาวกทั้งหลายตอนไปเผยแผ่ศาสนาเนี่ยแล้วสั่งว่าเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปว ง, ท, ง, ปวงทั้งได้เป็นของทิพย์ทั้งได้เป็นของมนุษย์หมายความว่าบ่วงทิพย์มันก็บ่วงนะมนุษย์มันก็บ่วงเพียงแต่ว่าบ่วงทิพย์มันให้สุขมากกว่าทุกข์ ถ้าเทียบกับกับบ่วงโลกนะฮะเทียบกับโลกแต่ว่าในโลกมนุษย์เราก็ทุกข์มากกว่าสุขทีนี้เฉพาะสองอันนี้เทียบกันนะฮะไม่จะไปเทียบกับตัวอื่นคล้ายๆก็ยาวสั้นเนี่ยนะมันก็จับสองอันมาเทียบกันไม่จะไปเทียบกับนิพพานใะนสุหรือโภมาสุอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันเนละสวรรค์ก็แปลว่าอารมณ์เลิศเรียบไอันนี้ฮัทฮัทอย่างในะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสติด เป็นทิพย์แล้วก็มีอายุชิพมียศมีอธิบดีนะความเป็นใหญ่ก็แต่ละอย่างก็เป็นทิพย์ก็เรียกว่าเป็นผลสรุปจากการทำความดีซึ่งมันก็ยกยอดไปให้เราบังเกิดในสวรรค์แต่จริงแล้วมันก็ได้สวรรค์ทางใจมาก่อน นราท่าทุกเส้นทางที่เราผ่านมาไมยความว่าจะเป็นอายุ ก, ก็ดีจะเป็นวรณะก็ดีเป็นสุขก็ดีเป็นยศก็ดีนฮะมันได้ถูกควบคุมไว้ด้วยการประพฤติปฏิบัติความดีแล้วเราก็ได้สวรรค์ภายในใจเราภายในชีวิตเราในขณะนั้นๆพอตายไปแล้วมันก็เป็นผลสรุปที่จะทำให้เราได้รับความสุขในสวรรัสด แต่เราสังเกตว่าทําไมจึงทรงสอนให้ทําบ่อยๆเพราะว่าการรักษาใจในช่วงจะดับ่มันรักษายากคตินิมิตกรรมมนิมิตอะไรแต่ออะไรที่ท่านว่าเนี่ยที่จริงรักษายากนะเพราะชีวิตเราในะเราทําความดีความชั่วไปเยะมันไม่ใช่ดีอย่างเดียวหรือชั่วอย่างเดียวมั น, ม, นมันปนครากกัน ไ, ไปทีนี้ก่อนที่เราจะดับจิตในร่างกายเราแย่มากกายอ่อนแอมากนะแล้วก็จิตก็อ่อนแอตามจิตไม่ได้แข็งแรง เ, ะะเมื่อเมื่อ เ, อเอตรงเนี้จิตเราจะยึดเหนี่ยวกุศลไม่ได้จริงหรือเปล่าแจะระลึกถึงที่เป็นกุศลได้ตลอดไหมมันก็ทํำไม่ค่อยได้นะทําไม่ค่อยได้เพราะว่าในขณะที่จิตมันมันระลึกออถึงบุญกุศลได้สมมติว่าเราลึกถึงถึงการให้ทานเนี่ยไปซื้อไปจากทานว่าเออเนี่ยทำมาจากอะไรเอาไปฆ่าสัตว์มาไปลักมาอะไรอะไรเห็นไหมมันไปเชื่อมอยู่มันเชื่อมอยู่จิตมันจะอาจจะอาจจะแว บ, บกลับไปอีกก็ได้ เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องทำบปป่อยๆเพื่อจะยึดเหนี่ยวจิตเอาไว้แล้วก็แนวที่กุฎเจ้าทรงวางไว้เฉพาะแนวสวรรค์นเนี่ยนะเฉพาะแนวสวรรค์นเนี่ยให้เราสังเกตว่าก่อนจะดับเนี่ยจะมีวิธีที่จะดึงจิตคนให้อยู่ด้วยกุศลคือช่วยจากข้างนอกเช่นว่าเรื่องธรรมิกบบาบนะุสบกนะสวดประสูตรสวดสติปัฏฐานให้ก็ฟังให้จิตมันเหนี่ยวอยู่กับสติปัฏฐานนะ แล้วกติไทยเราสวดอิติปิโสนะฮะเดวอิติปิโสเวลาเวลาคนป่วยเนี่ยคนป่วยจะแน่ใจแล้วเน่ว่าว่าเขาไม่รอดแน่จะสวดอิติปิโสอิติปิโสนี่ยังไงยังไงคนไทยคุณเนี่ยนะะคนไทยคุณอิติปิโสสวัสดารโตสุปฏิพันโนนโมเนี่ยนะฮะก็จะว่าเลยนั้นก็สวดไปแล้วกอ็อาจจะสวดางอื่นมาก่อนเพื่อไรเพื่อจิตเหนียวเอาพระพุทธคุณ อย่างน้อยเนียบพระพุทธคุณ mm hmm. ก็เนียบพระพุทธคุณก็แบบไหนนะแบบของท่านมัถะกุนตลีแบบของหญิงจันทานที่เคยเล่าฟังนะฮะว่าแม้จะไม่มีพื้นฐานของการสะสมความดีมาเลยแต่ก่อนจะดับในทําใจให้เริ่มใสแลใจมันก็ป่องใสพอไปแต่ลึกถึงคุณพระเจ้าก็ใจที่ฟ่องแค่้านะฮะใจที่ฟ่องให้พระเจ้าเป็นตัวกระตุน้นไม่อย่างนั้นพระเจ้าส่งไปสู่สวรรค์เ น, น, นะ่ยนะฮะพระเจ้าเป็นตัวกระตุ้นเฉย ทำให้จิตท่านไปยึดเหนี่ยวแล้วก็จิตก็ผ่องใสจิตที่บรรพองใสคือจิตที่เริ่มสายจิติศรัทธาเนี่ยนะไอ้ตัวเริ่มสายตัวเรียกปัปสาทะเมื่อก็เกิดขึ้นก็ทําหน้าที่สลายความขุดมัวเศร้าหมองภายในใจใจก็ผ่องแพร่เขาก็ไปบังเกิดในสุกติได้ทีนี้พอ ม, มาถึงตอนคาถาเนี่ทรงเพิ่มขึ้นอีกสองอย่างจะทรงเพิ่มเกียรติ กับเพิ่มการเกิดในสกุลสูงขึ้นนะเพราะอะไเพราะประสูตรนี้จริงๆมันอยู่บรรยกาศนิบาตของคุณนิากายในบรรยกาศนิบาตเอาไว้ความว่าองค์ธรรมจะมีห้าข้อบรรจากาศจะตุกะจะตุกะ ก, ก็มีสนะฮะตรงนี้ปรากฏว่าตัวประสูตมีห้าแต่ว่าตอนคาถาในสงเพิ่มขึ้นไปเบิ่องต้นก็คือเกียรติแต่ว่าจริงๆถ้าเราดูดีไม่จะเพิ่มเกียรตินั้นคือเน้นที่ตัวยศ นเน้นปเน้นที่ตัวยศว่ายศตรงนี้ต้องเกียรติยศนะต้องได้มาจากการกระทําที่มีเกียรติหมายความว่าต้องได้มาจากสุจริตไม่ใช่ได้มาในทางทุจริตเพราะว่ายศที่ได้มาในทางทุจริตนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าภาค ภ, ภูมิใจอะไรมันแสดงเป็นการสยบติดกับยศแล้วก็เป็นพาตความกิเลสคืออยากได้จนจนยศไม่มีทางได้นะ บางคนก็พูดตรงๆวันก่อนมีคนก็ล่าข่าวมาพูดตรงๆว่าชีวิตผมเนี่ยถ้าให้ทําอย่างนี้มันไม่ทางได้หรอกเราก็ต้องยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้คือเกแกรู้ว่าปกติเนี่ยด้วยวิธีปกติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนอย่งแกจะเป็นได้นะฮะแล่ใช้เงินเน่ยเป็นได้ดังนั้นคือสแสดงในความตกต่ําของสังคมสังคมมันตก ต, กต่ํามันเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้ว่าถ้ายอดเกิดขึ้นในวิธีนี้แสดงว่าพื้นฐานสังมันตกต่ำลง อย่น้อยสังคมนั้นสังคมที่มีการให้ยศกันเนี่ยตกต่ำลงไปแยกเพราะว่าที่จริงๆยศนั้นจะต้องเกิดจากการกระทำํำเป็นความรู้ความสามารถความคิดอ่านคุณธรรมนะฮะสะท้อนออกมาแล้วก็เทียบเคียงแล้วก็โดดเด่นว่าคนอื่นเขาก็ยกจ้องในจุดนี้ทีนี้การเกิดในสกุลสูงสกุลสูงเป็นเกิดขึ้นมาจากหลักของอัิญญานใหมา่ เป็นลักษณะตามธรรมชาติให้ลองสังเกตว่าอะไรก็ตามที่อ่อนเนี่ยก็จะอยู่สูงยอดไม้ดอกไม้จะอยู่สูงนะฮะให้เราสังเกตธรรมชาติทั้งหมดเลยอะไรก็ตามที่อ่อนเนี่ยก็จะอยู่สูงแล้วจะสลายแข็งได้ยังธาตุสี่ธาตุนีน้ําลงไฟลองสังเกตฮนะไฟกับ น, น้ําสลายได้สลายดินนะฮะสลายดินได้สลายภูเขาได้สลายเหล็กได้เหล็กแข็งขนาดไหนเนี่ยไฟสลายได้ ดินภูเขาแข็งขนาดไหนน้ำจะลายได้เป็นเรื่องธรรมชาติที่น่ า, นาศึกษามากเพราะสิ่งที่โอนคือสิ่งจะไหลแข็งเป็นพวกทั้งธาตุแล้วก็ต้องทํานะฮะธรรมธาตุนี้ก็จริงก็คือธรรมธาตุเพราะการทําตนเป็นคนมีสมัรรถะอดน้อมต่อบุคคลนั่นแหละยอมรับนับถือสถานะของบุคคลอื่นซึ่งซึ่งซึ่ ง, งสังคมเราเปลี่ยนไปเยอะนะบางทีจะมาไปนั่งที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ นั่งไปไปนั่งคอยโรงพยาบาลเรากส็สังเกตคนบางคนมันก็เดินถูกเราต้องหลบเลยนะตามแคบมามันเยี่ยมมากเลยคนนั้นแนตะ่ดีอ่ะไม่กระโรงครอบหัวก็ บ, บุญนะเอ่อบางทีเนี่ยเขาก้มเขาไหว้นะแต่นั่นนานจะเจอสักทีน่มาเคยไปที่หมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งอย่าออกชื่อกันเลยนะเราเดินจาก หาอะไรเลยเ ด, เดินเข้าสวนนักศึกษาเยอะเลยก ว, กว่าจะถึงห้องบรรยายนะมีเด็กไหว้คนเดียวเด็กผู้หญิงคนไหว้คนเดียวเด็กแท้ๆเลยโอ้โหคนสมัยนี้เยอะเลยไปยังอุตส่าห์ถามมันทำไมพระเดี๋ยวนี้เดินไม่หลบผู้หญิงมันดุเดือดจังเลยอันนีคค้คือแสดงสภาพก็เปลี่ยนไปความคิดว่ามันเปลี่ย น, ม, นมันคล้ายๆไอ้ไอะไรจิตที่มระชาชนคนเราเสมอกันเบียรนี้พูดมากเลยคนเราเสมอกันหมด เสมอขึ้นได้ยังไงมันเสมอ์ก็แบบเปรตจัดคนนอนมัสยิดมาเล่าให้ฟังมันเป็นไปไม่ได้บังคนไม่เสมอหรอกเสมอในแง่ที่แก่เจ็บตายด้วยกันนะเราจะเห็นว่าเสมอในแง่ของทุกขสัตว์เนี่ยเสมอจริงนะเป็นสาวมันจะลักษณะลักษณะที่เสมอกันหมดเลยชีวิตตุงชีวิตเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายนะตกอยู่ในกฎของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาอันนี้คือเสมอจริงแต่ยังอื่นไม่มีทางเสมอเสมอได้ยังไง มันเป็นเรื่องของความเพียรพยายามเป็นเรื่องของทาทําดีทําชั่วความรู้เสมอกันได้ไหมความสามารถเสมอกันได้ไหมความเพียรพยายามเสมอกันได้ไหมมันไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะมันเรื่องของการกระทําเอาถ้าเสมอกัะรวยกันหมดปลื้มมันก็เป่าเสกเกระหม่อมมาแล้วอะเป่าพรวดจับจุ่มลงในทองแล้วมันไม่ใช่เสมออย่างนั้นมันพูดกระจนเปื่หมดเลยโดยไม่ครอบตรงไหนเสมอได้ตรงไหนไม่ไม่เสมอได้เสมอกันในแง่ของกฎหมาย ทมผิดแล้วก็คือผิดแต่จริงๆเสมอหรือเปล่าถ้ามีอิทธิพลติดคุกหรือเปล่าก็เปล่าอีกมันก็ไม่แน่จริงหรอกดังนั้นเรื่องเราเหล่านี้เราเราจะเห็นว่าเป็นกระแสความคิดที่ลืมความจริงว่าคนไม่เสมอหรอกคนไม่เสมอกันเสมอในแง่ของเป็นทุกข์ษัตริย์เสมอจริงนะาสามัญลักษณะในเสมอจริงแลวอย่างอื่นไม่เสมอกันมันจะต้องมียิง่งมีหยอด การแสดงสมาคารวะเนี่ยประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนบุคคลทั้งหลายที่เป็นพรที่เราได้รับมากที่สุดอายุวโนสังบาลังที่ว่าตังกีเนี่นะเราจะเห็นว่าเนี่ยคือเป็นเหตุให้เกิดให้มีอายุเยอไม่ให้เกิดในะกุลสูงรู้ตัวอย่างง่ายๆเจ้าพยาหยมราชปั้นสุขุมเป็นเด็กที่เขาบูชากันเทศมาจาเมืองสุพรรณเนี่ยนะฮะต้นะกุลสุขุมเนี่ยนะแล้วก็เป็นเด็กวัดมาบวชเนรอยู่ที่วัดผงที่ที่ที่ฝั่งทน่ ท่านอ่อนน้อมท่านอ่อนดนุลท่านเรียบร้อยมากเลยไปลิบลิบไปเลยนะฮะไปต้องพูดสมเหตุสมอการแทนพระองค์ก็เรียกว่าสุดยอดนะฮะเป็นเป็นเทสาเป็นอะไรๆเ ย, ยอะแยะไปนี่คือคื อ, คอลักษณะอ่อนน้อมอ่อนดนุมีสัมมาคารวัตอคนท่างๆเป็นคนเป็นคนสวยงามมากเลยนะฮะเป็นคนสวยงามมากนี่ก็เป็นตัวอย่างเห็นได้ชัดว่าสามารถที่จะยกสกุลตัวเองขึ้นไปพรวดเดียวนะฮะไปอยู่อยู่ข้างบนได้เลย เพราะงั้นสั่งสิ่งทั้งหลายนั้นจึงทรงสอนอย่าอ้อนวอนนะฮะอย่าเพลินอะไรสร้างเหตุขึ้นแล้วผลเหล่านั้นก็จะ เ, เกิดขึ้นวันนี้ก็ขออยู่ติไว้ด้วยเวลาในตอนนี้ที่สุดนี้เพาความเจริญงอกงามไผยบุต์ในธรรมจะมีแต่ท่านสาชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถอ